พระพุทธศาสนาของพวกเราที่พวกเราให้ความเคารพนับถือยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งแก่จิตใจของพวกเราจะอยู่กับพวกเราได้นานหรือไม่นานอยู่ที่ เหตุปัจจัย4ประการด้วยกันคือ1อยู่ที่การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 2. อยู่ที่การนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ 3. อยู่ที่การบรรลุผลของการปฏิบัติและ 4. อยู่ที่การนําเอา ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติแล้วไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นนี่คือเหตุปัจจัยที่จะทำให้มีพระพุทธศาสนาอยู่กับพวกเราไปเรื่อยๆถ้าวันใดไม่มีการศึกษาพราะธรรมคำสอนไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรม ไม่มีการเผยแผ่สั่งสอนวันนั้นก็จะเป็นวันสิ้นสุดของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาของเราไม่ได้เจเริญด้วยถาวรวัตถุต่างๆเช่นโบสถ์เจดีย์วิหารศาลากุฏิที่อยู่อาศัยของพระ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแต่เป็นผลของความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี่ตอนเริ่มต้นก็ไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ไม่มีวัดวาอาราม มีพระพุทธเจ้าที่ทรงศึกษาค้นหาพระธรรมต่างๆและปฏิบัติตามที่ได้ทรงศึกษาและได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตัมมาสามพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลก พระพุทธเจ้าตอนที่ทรงศึกษาทรงบําเพ็ญนั้นไม่มีกุติที่อยู่อาศัยไม่มีวัดวาอารามไม่มีท้าวลวัตถุต่างๆอยู่ตามโคนไม้อยู่ในปา่าอยู่ในเขาอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกที่เป็นที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเหมาะแก่การบรรลุธรรม แต่หลังจากที่พระองค์ได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกแล้วผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติและปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาแล้วก็โน้ช่วยพระพุทธเจ้านำเอาคำสอนหรือธรรมที่ได้ได้บรรลุกัน ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปพอผู้ที่ได้ยินได้ฟังนำเอาไปปฏิบัติก็ได้รับผลเช่นเดียวกันจึงทำให้เกิดมีศรัทธาความเชื่อความเคารพในพระพุทธศาสนาก็เลยมีการถวายถาวารและวัตถุต่างๆ เพื่อให้การศึกษาให้การปฏิบัตินั้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นจึงมีการสร้างกุฏิสร้างวัดสร้างศาลาอะไรต่างๆขึ้นมาสิ่งเหล่านี้จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้ทำให้าศาสนาเสื่อมหรือเจริญถ้ามีหรือไม่มี แต่สิ่งที่จะทำให้ศาสนาเสื่อมก็คือการถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมและไม่มีการเผยแผ่ธรรมนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้ ไม่หลงทางกันบางคนคิดว่าพระพุทธศาสนาอยู่ที่จํานวนวัดวาอารามอยู่ที่จํานวนของพระภิกษุอยู่ที่จํานวนของโบสถ์ของเจดีย์ของศาลาของกุติของเหล่านี้นั้นมันไม่ได้เป็นตัววัดพระพุทธศาสนา ที่วัดพระพุทธศาสนาก็คือจํานวนของผู้ที่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วนําเอาไปปฏิบัติและบรรลุธรรมแล้วนําเอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นนี่ต่างหากคือสิ่งที่วัดความเจริญหรือวัดความเสื่อมของพระพุทธศาสนา แต่เรื่องการสร้างวัดเรื่องการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างถาวรและวัตถุต่างๆนี้ก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่สำคัญเพียงแต่ว่ามันไม่สำคัญเท่ากับการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุ ธ, ธรรมและการเผยแผ่ธรรมถ้ามีมีวัดมีถาวรลวัตถุต่างๆแต่ขาดการศึกษา ขาดการปฏิบัติขาดการบรรลุ ธ, ธรรมขาดการเผยแผ่ธรรมาศาสนาก็เป็นาศาสนาเปลือกเท่านั้นเองคือถาวรลวัตถุต่างๆเหล่านี้เป็นเหมือนเปลือกขอ ง, ของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นเนื้อของพระพุทธศาสนาเนื้อของพระพุทธศาสนาอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติ อยู่ที่การบรรลุและอยู่ที่การเผยแผ่ธรรมเพราะว่าเนื้อของศาสนาก็คือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสวรู้ว่าผู้ใดที่ได้พบกับพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าผู้นั้นจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนั่นเองแต่การได้พบโบสถ์ได้พบเจดีได้พบศาลา ได้พบพระพุทธรูปถาวารัตววัตถุเหล่านี้ไม่ได้เป็นธรรมที่จะทำให้ผู้ได้พบเห็นได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้จะต้องพบกับพระธรรมที่เกิดจากการศึกษาเกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นถึงจะได้พบกับพระธรรมที่แท้จริง พระธรรม ท, ที่จะทําให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่การบรรลุธรรมอยู่ที่การบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ที่การบรรลุเป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันพระสกิตาคามีพระอนาคามีและพระอารหันต์นี่คือ เนื้อหาเนื้อหนังของพระพุทธศาสนาคือการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานนี่แหละคือตัวของพระพุทธศาสนาเนื้อหนังของพระพุทธศาสนาอยู่ที่พระอริยบุคคลสี่ประเภทคือพระโสดาบันพระสกิดาคามี พระ อ, อนาคามีและพออระอรหันต์บุคคลใดถ้าได้บรรลุเป็นพระ อ, อริยบุคคลแล้วนับตั้งแต่บุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับจะไม่มีการถอยหลังจะมีการก้าวหน้าไปเพียงอย่างเดียวช้าหรือเร็วเท่านั้นบางคนก็สามารถบรรลุ พระอริยบุคคลสี่ขันได้ภายในระยะเวลาใกล้เคียงกันแปบ๊บเดียวเช่นมีมีเรื่องที่เล่ากันมาในสมัยอดีตว่ามีพระรูปหนึ่งในขณะที่ท่านปรงศรีะออพอท่านปรงใช้มีดกรนปรงศรีะครั้งแรกก็บรรลุเป็นพระโสดาบัน พอใช้มีดโกนครั้งที่สองก็ได้เป็นพระสกิดาคามีพอใช้มีดโกนครั้งที่สามก็ได้เป็นพระอนาคามีและพอใช้มีดโกนครั้งที่สี่ก็ได้เป็นพระอาหารหันต์ทันทีอันนี้เป็นความรวดเร็วของปัญญาของผู้ปฏิบัติที่ที่สามารถที่จะทำให้บรรลุ ทำขั้นต่างๆได้ภายในเวลาอันรวดเร็วบางท่านก็บรรลุได้อย่างรวดเร็วบางขั้นก็ใช้เวลาบางท่านได้ขั้นที่หนึ่งคือขั้นโสดาบันแล้วก็ไม่ได้ทุ่มเทไม่มีเวลามเวลาที่จะปฏิบัติได้อย่างเข้มข้นก็ติดอยู่ที่ ท่านพระโสดาบันอยู่หลายปีเช่นพระอนุ์พระอนุนน์นี้ท่านก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็ไปรับตำแหน่งไปเป็นผู้อุปถาพระพุทธเจ้าก็เลยติดอยู่กับภารกิจการอุปถาพระพุทธเจ้าอยู่ถึงยี่สิบกว่าปีจนถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธ์บาลินิพพานไปแล้ว จึงทำให้พระอานุ์ไม่มีภารกิจที่จะต้องคอยดูแลรับใช้พระพุทธเจ้าแล้วจึงมีเวลาไปเปรีกวิเวกไปปฏิบัติตามลำพังและก็สามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ภายในระยะเวลาเพียงสามเดือนเท่านั้นดังนั้นข้อสรุปก็คือถ้าผู้ใดได้เข้าสู่อริยบุคคล ขั้นที่หนึ่งแล้วจะสามารถที่จะปฏิบัติต่อไปได้จนถึงขั้นที่สี่อย่างแน่นอนช้าหรือเร็วท่านั้นอย่างพระโสดาบันนี้ท่านก็ดีกำหนดไว้ว่าไม่เกินเจ็ดชาถ้าช้ามากถ้าติดอยู่กับเหตุใดเหตุหนึ่งก็อาจจะใช้เวลานานแต่ก็ไม่เกินเจ็ดชาเป็นอย่างมาก ถ้าขึ้นสู่ขั้นที่สองคือขั้นพระสกีดาคามีนี้ก็จะติดอยู่ชาติเดียวแลกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวเป็นอย่างมากถ้ายังไม่สาเร็จในชาตินี้ก็จะกลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งถ้าได้เป็นพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังต้องไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหม ไปเกิดเป็นพรมก่อนก่อนที่จะได้ไปถึงพระนิพพานได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์บุคคลเหล่านี้ท่านมีธรรมมีแสงสว่างแห่งธรรมพาไปหลังจากที่ท่านได้เห็นธรรมที่ทำให้เห็นเห็นความ เห็นเหตุที่ทำให้ไปเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นตันหาความอยากทั้งสามคือกามตันหาภาวะตันหาและวิภาวตันห า, แ ล, นหาและเห็นทางของการปฏิบัติเพื่อที่จะละตันหาทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจได้ก็คือทานศีลภาวนา เลือศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นทางเป็นมรรคท่านก็จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยๆแล้วก็จะสามารถที่จะกําจัดตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปตามลำดับได้โดยที่ไม่หลงทางอีกต่อไปแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าถึงพระ อริยะบุคคลนี้จะยังมองไม่เห็นทางยังยังมีความลังเลสงสัยอยู่ว่าการปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานี้จะทำให้ดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้จริงหรือไม่จะทำให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้จริงหรือไม่ก็จะไม่ปฏิบัติอย่างเข้มข้น จะไม่ปฏิบัติอย่างเต็มที่เช่นพวกเรานี้เราก็ได้ยินได้ฟังทมกันเราก็ได้ยินว่าทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนาแต่พวกเราก็ยังไม่มีความมั่นใจพอที่จะสละ ชีวิตของคารวาดไปเพื่อไปปฏิบัติแบบนักบวชเพราะเราก็ยังติดอยู่กับความสุขทางโลกอยู่ติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่จึงทำให้พวกเรายังไม่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจ ให้กับการบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มที่เรายังแทงกักกันอยู่ยังแบ่งเวลาให้กับความสุขทางโลกและให้เวลากับความสุขทางธรรมการปฏิบัติของเราจึงไม่ค่อยคืบหน้าไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าเพราะเรายังรักพี่เสียดายน้องอยู่ยังรักสมบัติเข้าของเงินทอง ยังรับบุคคลนั้นบุคคลนี้อยู่แต่อใจหนึ่งก็อยากจะไปพระนิพพานอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็มีการแบ่งเวลาเวลาหนึ่งก็อยู่กับลาบยศสารเสริญอยู่กับลูกเสียงกลิ่นรสผดเถร่าเอกเวลาหนึ่งก็ไปอยู่วัดไปเปิกวิเวกไปบาเพ็ญ ศีล ส, สมาธิปัญญาพอาว่ายังไม่ได้เห็นคุณประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมนั่นเองยังไม่เห็นว่าการบรรลุ ธ, ธรรมนี้ทำให้จิตใจมีความสุขมากกว่าการได้ลาบยกสริเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เลยยังไม่ได้ทุ่มเทมเหมือนกับพระอริยบุคคลถ้าลองได้สัมผัสกัดรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงแล้วคือได้บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งคือได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมากว่ามีอยู่ภายในใจและ ถ้ามรรคมีกําลังมากกว่าก็จะสามารถกําจัดสมุทัยก็คือตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ใจที่มีตัณหาน้อยความทุกข์ก็จะมีน้อยแต่ใจที่ไม่มีตัณหาเลยใจก็จะไม่มีความทุกข์เลยและใจที่จะมีตัณหาน้อยหรือไม่มีเลยก็อยู่ที่ ใจที่มีมรรคมากหรือมีน้อยถ้ามีมรรคมากปัญหาตันหาก็จะมีน้อยถ้ามีมรรคเต็มหัวใจตันหาก็จะหมดไปจากหัวใจความทุกข์ทั้งหลายก็จะหมดไปพพชาติก็จะหมดไปอยู่ที่มรรคอยู่ที่การบำเพ็ญอยู่ที่การปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญา ว่าจะเข้มข้นมากน้อยเพียงไรถ้าเข้มข้นมากเต็มร้อยผลก็จะได้เต็มร้อยถ้าเข้มข้นไม่เต็มร้อยผลก็จะไม่ได้เต็มร้อยนี่คือทมที่จะปรากฏขึ้นมาภายในใจผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่าจะต้องทำอย่างไรจะต้องกําจัดอะไรทมเหล่านี้มันมีอยู่ภายในหัวใจของพวกเราอยู่ตลอดเวลา แต่แต่ว่าพวกเรามองไม่เห็นมันเท่านั้นเองเพราะเราถูกโมหะอาวิชชาความหลงหลอกให้เราไปมองสิ่งที่มันไม่สำคัญสิ่งที่ทำให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดก็คือมันให้เราไปมองที่ลาบยศสรรเสริญให้มองที่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะกันพอไปมองแล้วก็เกิดตัณหาเกิดความอยาก แล้วพอไปเสพมันก็เกิดความติดเกิดอุปทานติดเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดพอติดมาแล้วเวลาจะเลิกมันก็จะทรมานใจจึงทำให้เลิกยากจึงทำให้เป็นแบบรักพี่เสียดายน้องทมของพระพุทธเจ้าก็ได้สัมผัสบ้างได้ฝึกนั่งสมาธิบ้าง รู้สึกเวลานั่งใจก็มีความสุขมีความสบายปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนให้พิจารณาและปล่อยวางก็พิจารณาและปล่อยวางได้บ้างเวลาปล่อยวางได้ก็มีความรู้สึกสุขรู้สึกสบายใจแต่ยังไม่สามารถปล่อยวางได้ตลอดเวลายังไม่สามารถทำใจให้สงบได้ตลอดเวลา เวลาที่ไม่สงบเวลาที่ไม่ปล่อยวางเวลานั้นก็เป็นเวลาที่โมหะอวิชาก็จะมาดึงใจให้ไปหาลาบยศสละเสริญให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลภัพฑ์ชนิดต่างๆใจเลยถูกดึงไปดึงมานี่คือใจของผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานคือยังไม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน แต่ถ้าพอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแลนีจะเห็นว่าไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับการเจริญมรรคคือเจริญศีลสมาธิและปัญญาเพราะมีศีลสมาธิและปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากตัณหาต่างๆภายในใจนี้ให้หมดไปได้และจะทําให้ใจนี้ปราศจากความทุกข์ มีแต่ความสุขตลอดเวลาผู้ที่เห็นธรรมคือพระอริยาาสัจสีภายในใจบ้าก็จะไม่หลงทางจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการหาราบยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกวิ้นกายจะพุ่งไปสู่การบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพียงอย่างเดียวถ้าไม่ไปติดภาระอย่างอื่น หรือไม่ไปติดวิบากอะไรก็จะสามารถบรรลุมรคนิพานได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยอย่างครูบาอาจารย์ต่างๆที่พวกเราเคารพรักนับถือที่เรารู้จักกราบไหว้บูชาที่ท่านได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์กันแล้วท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติไม่หยุดไม่หย่อนไม่เลิกไม่ถอย ท่านปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ท่านสามารถก้าวขึ้นสู่พระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้ภายในภายในชาตินี้ไม่ต้องรอให้ไปทำต่อในชาติหน้าเพราะท่านสามารถตัดนิวร์ตัดอุปสรรคต่างๆตัดวิบากรรมต่างๆ ทำให้ท่านไม่ติดอยู่กับลาบยศสารเสริญไม่ติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลเถภนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือการบรรลุ ธ, ธรรมถ้าบรรลุ ธ, ธรรมแล้วก็จะสามารถนำเอาธรรมนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ผู้ื่นที่ได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วนี้จะได้รับประโยชน์เพราะจะมีความมั่นใจเพราะธรรมที่ได้ยินได้ฟังนั้นเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีความลังเลสงสัยไม่เหมือนกับธรรมของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมที่ได้เพียงศึกษามา แล้วก็นำออกไปปฏิบัติเอาไปสั่งสอนผู้อื่นต่อธรรมที่ได้ศึกษากับธรรมที่ได้บรรลุนี้ไม่เหมือนกันผู้ที่สั่งสอนด้วยธรรมที่ศึกษานี้จะไม่สามารถสอนให้ผู้อื่นนั้นบรรลุธรรมได้เพราะผู้สอนเองก็ยังบรรลุไม่ได้แล้วจะทาให้ผู้อื่นนี้เขาจะบรรลุได้อย่างไร เพราะยังไม่ได้ปฏิบัติเองยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตนเองเวลาเอาไปสอนก็สอนแบบรูปคลำไปสอนแบบผิดผิดถูกถูกไปเพราะยังไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองว่าปฏิบัติแบบนี้ถูกหรือผิดอย่างไรนั่นเองแต่สำหรับผู้ปฏิบัติแล้วจะรู้ว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกเป็นอย่างไรวิธีปฏิบัติที่ไม่ถูกเป็นอย่างไร ก็จะสามารถสอนผู้ที่นำเอาไปปฏิบัติให้ได้อย่างถูกต้องเวลาที่เขาปฏิบัติไม่ถูกก็สามารถแก้ไขให้เขาได้บอกให้เขาปฏิบัติให้อย่างถูกต้องได้ผู้ปฏิบัติที่นำเอาไปปฏิบัติตามก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง เมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็จะได้รับผลอย่างแน่นอนดังนั้นสมัยนี้เท่าที่เห็นอยู่นี้ก็จะมักมีการข้ามขั้นตอนกันคือสมัยนี้จะไปศึกษาพระธรรมคำสอนกันศึกษาแบบมีใบประกาศสมนียบัติว่าได้จบหลักสูตรนักธรรมแล้วได้จะ ได้ประจบปะเรียนชั้นนั้นชั้นนี้แล้วอันนี้เป็นการทดสอบความจําเท่านั้นเองเวลาไปสอบเขาก็ถามว่าพระอริยสัจสี่มีอะไรบ้างมรรคแดมีอะไรบ้างก็ท่องจํากันไปพอมีคําถามก็ตอบไปก็ตอบได้ได้แต่ชื่อของธรรมแต่ตัวของธรรมนี้ยังไม่เห็นไม่เคยเห็น เพราะตัวของธรรมนี้มันอยู่ภายในใจแต่ใจของผู้ปฏิบัตินี้มันไม่ได้อยู่ในใจใจของผู้ศึกษานี้ยังไม่ได้เข้าไปสู่ภายในใจจะเข้าไปสู่ภายในใจได้ต้องปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาถึงจะสามารถเข้าไปดูธรรมตัวจริงได้ตอนนี้ดูแต่ชื่อของธรรมที่อยู่ในกระดาษที่อยู่ในกระดาษ พระไตปิฎกต่างๆนี้ต่านี้เป็นชื่อของธรรมไม่ใช่ตัวธรรมถ้าอยากจะเห็นตัวธรรมนี้ต้องเห็นด้วยการปฏิบัติการเห็นชื่อของธรรมและการท่องจำชื่อของธรรมเหล่านั้นเป็นการเพียงท่องจำชื่อเท่านั้นเองอยังไม่ได้เจอตัวจริงของจริงเวลาสอบก็ไม่ได้สอบว่าเห็นจริงหรือไม่เห็นจริง เวลาสอบเขาก็สอบว่าจําได้หรือจําไม่ได้จําชื่อของธรรมที่ได้ร่ำเรียนมานี้หรือไม่เท่านั้นเองถ้าจําได้ก็บอกว่าผ่านแล้วได้นักธรรมตีแล้วได้นักธรรมโทแล้วได้นักธรรมเอกแล้วได้ป ร, ริญญาเก้าแล้วอันนี้เป็นการทดสอบความจําชื่อของพระธรรมต่างๆเท่านั้นเองแต่ตัวธรรมเหล่านี้ที่ได้ ได้ยินได้รู้จักชื่อนี้ยังไม่เคยเจอตัวของธรรมตัวของธรรมนี้อยู่ข้างในใจจะเห็นตัวของธรรมเหล่านี้ได้ก็ต้องดึงใจเข้าข้างในเครื่องที่จะดึงใจเข้าข้างในก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองถ้าไม่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจะไม่มีวันที่จะเข้าถึงตัวธรรมได้ก็จะ ติดอยู่ข้างนอกเพราะว่าตัวกิเลสนี้จะเป็นตัวที่คอยป้องกันไม่ให้ใจเข้าสู่ข้างในจะหลอกให้ใจออกไปอยู่ข้างนอกไปอยู่ที่ราบยศสระเสริญไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลตถาภะถึงแม้จะเรียนจบทำขั้นปรเญญาเก้าก็ยังมีความยินดีในราบยศสลรเสริญ มีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลธภะอยู่เพราะธรรมที่ได้เรียนรู้นั้นเป็นเพียงชื่อของธรรมชื่อของธรรมนี้ไม่มีกำลังที่จะกำจัดกิเลสตัณหาที่หลอกให้ไปยึดไปติดกับราบยุดสรรเสริญติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลธภะผู้ที่เรียนจบได้รับประกาศใบประกาศนียบัตชั้นต่างๆนี้ จึงยังไม่ได้เป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ต่อให้เรียนจบพระไตรปิฎกก็จะเป็นใบลานเปล่าอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงให้ชื่อแก่พระโปธิละพระเทระที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่างจำได้ทุกคำสอนเรียนจบพระไตรปิฎกแต่แทนที่พระพุทธเจ้าจะยกย่องสรรเสริญเวลาเจอพระโพธิลัต ท, ทิไลทรงตัดว่าโพธิลัตเธอเป็นใบาลานเปล่านะเธอยังไม่ได้เป็นพระอริยะนะความรู้ของเธอเนีเป็นเพียงธรรมเป็นชื่อของธรรมเท่านั้นยังไม่ได้เป็นตัวธรรม ยังไม่ได้ทำให้เธอได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนี่คือเรื่องของการศึกษาเพียงอย่างเดียวศึกษาแล้วพอได้รับใบประกาศแล้วก็ไปสั่งสอนต่อเลยไปสั่งสอนผู้อื่นต่อไปการสั่งสอนก็สอนแบบเดียวกับที่เรียนมาก็สอนชื่อของธรรมแล้วก็ทดสอบความจำของนักเรียนว่า จำชื่อของธรรมเหล่านั้นได้หรือไม่จำชื่อว่ามรรคแปดมีอะไรบ้างอริยสี่อริยสัจสี่มีอะไรบ้างอันนี้ก็ทดสอบความจำเท่านั้นเองจำชื่อของธรรมไม่ใช่จำตัวธรรมแล้วเวลาเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ใจก็ไม่สามารถเอาชื่อของธรรมนี้มาดับความทุกข์ต่างๆได้ เพราะชื่อของธรรมนี้ไม่ใช่ตัวธรรมไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้สิ่งที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้นี้ต้องเป็นตัวธรรมตัวธรรมที่อยู่ภายในใจของพวกเราแต่ตอนนี้เราเข้าไม่ถึงตัวธรรมกันเพราะเราไม่ได้ศึกเราไม่ได้ปฏิบัติกันเราเพียงแต่ศึกษาเพียงอย่างเดียว ได้ยินได้ฟังเพียงอย่างเดียวแต่เรายังไม่สามารถเข้าไปสู่ข้างในใจของเราได้เรายังไม่ได้เข้าไปสู่อัปปนาสมาธินั่นเองถ้าเราอยากจะเข้าไปสู่ใจของเราเราต้องเข้าด้วยการเข้าเข้าไปในอัปปนาสมาธิพอเราเข้าไปในอัปปนาสมาธิแล้วเราจะเห็นทั้งกิเลสเห็นทั้งธรรมที่มีอยู่ในใจ ที่เป็นตัวจริงไม่ใช่เป็นตัวชื่อไม่ใช่เป็นชื่อของกิเลสไม่ใช่เป็นชื่อของธรรมเราจะเห็นว่าเวลากิเลสมันออกฤทธิ์นี่มันเกิดความทุกข์อย่างไรและเวลาที่เราเอาธรรมมาดับกิเลสได้นี้ความทุกข์มันจะหายได้หายไปอย่างไรมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนมันก็จะรู้ว่าตนเองนี้ หลุดพ้นหรื อ, อย่างหรือไม่หลุดพน้นความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจหมดไปด้วยอย่างความอยากต่างๆที่เป็นเหตุของความทุกข์นี้หมดไปจากใจหรืออย่างมันจะเห็นได้จากการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือดึงใจให้กลับเข้าไปข้างในการจะดึงใจกลับเข้าไปข้างในก็ต้องทำใจให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาให้ใจตั้งอยู่ข้างใน พออยู่ข้างในแล้วก็จะเห็นตัวธรรมตัวกิเลสที่กําลังทำงานอยู่ส่วนใหญ่พอเข้าไปใหม่ๆนี้จะเห็นแต่ตัวกิเลสเพราะตัวธรรมนี้ยังมีน้อยยังมีไม่มากจะเห็นตัณหาความอยากต่างๆเห็นกามตัณหาภวะตัณหาวิภวตัณหาก็ต้องพยายามสร้างธรรมขึ้นมาเพื่อกาจัดกามะตัณหาภวะตัณหาและวิภาวะตัณหา ทำที่จะกรรมจัดก็คือเนี่ยอสุภะคือการเห็นของที่ไม่สวยไม่งามเพราะการมาตัญหานี้ททำให้เกิดการเห็นการที่เกิดการมาตัญหาก็เพราะว่าไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่สวยงามนั่นเองพอเห็นอะไรที่สวยที่งามก็อยากจะได้เห็นเสื้อผ้าสวยงามเห็นกระเป๋าสวยงามเห็นรองเท้าสวยงาม เห็นแหวนเพชรเห็นต้มหูเห็นอะไรต่างๆที่สวยงามก็จะเกิดการมติหาขึ้นมาอยากจะได้ขึ้นมาถ้ามองว่ามองว่ามันไม่สวยมองที่เวลามันขาดเวลาที่มันกลายเป็นผ้าที่ริ้วเวลาที่มันหายไปเช่นเพชรนินจินดาเวลามันหายไปนี้มันจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ คืต้องมองอนิจจังมองอสุภาพก็เวลามองเห็นเวลาเห็นร่างกายของคนที่หน้าตาสวยงามรูปลอเล้าก็จะเกิดอาการกำหนับยินดีขึ้นมาก็ต้องมองให้ดูส่วนที่ไม่สวยงามดูเวลาที่เขาเป็นซากศพไปเวลาเขาตายไปแล้วยังสวยงามอยู่หรือไม่แวะหรือมองเข้าไปข้างใน ภายใต้ผิวหนังที่หุ้มขออาการต่างๆไว้เช่นโครงกระดูกอวัย ว, วะต่างๆตับไตหัวใจอะไรต่างๆลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่และสิ่งปฏิกูลทั้งหลายปัจจวัปสวะอุจจาระของที่มีอยู่ในร่างกายของที่ไม่น่าดูไม่น่าชม ถ้ามองไปในส่วนนั้นแล้วก็จะทําลายกามรติหากามราคะได้ถ้ายังไม่มีก็ต้องสร้างขึ้นมาเพราะถ้ายังไม่มีกามรติหามันก็ยังจะไม่หมดไปจากใจกามราคะมันก็จะไม่หมดไปจากใจต้องสร้างสร้างธรรมขึ้นมาสร้างความจริงขึ้นมามองความจริงอย่าไปมองเพียงด้านเดียว อย่าไปมองเพียงด้านสวยงามเท่านั้นต้องมองในด้านที่ไม่สวยงามด้วยที่มีอยู่ในคนคนเดียวกันนั่นแหละคนคนเดียวนี่แหละที่หน้าตาสวยงามและหน้าตาอัปลักษณ์เวลาผิวหนังเป็นฝ้าเป็นสิวขึ้นมาก็ไม่น่าดูแล้วเวลาผิวหนังเหี่ยวย่นลงไปก็ไม่น่าดูแล้วอันนี้ต้องมอง หลายหลายมิติในร่างกายของคนคนเดียวมันเพราะร่างกายของคนนี้มันเปลี่ยนไปมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมองตอนที่มันแก่มองตอนที่มันเจ็บมองตอนที่มันตายแล้วมันก็จะทําให้คลายความกําหนัดยินดีคลายกา ม, มาราคะดับกา ม, มาราคะให้หมดไปจากใจได้ เวลาจิตเข้าไปข้างในใหม่ๆนี้จะเห็นกิเลสทำงานแต่จะเห็นว่ายังไม่มีมรรคยังไม่มีธรรมก็เลยต้องออกมาเจริญมรรคเจริญเวลาออกจากสมาธิก็ต้องมาเจริญอสุภะมาเจริญอนิจจงทุกขังอนัตตาเพราะนี่คือมรรคที่จะทาให้ละตัณหาความอยากต่างๆที่กำลังสแสดงอยู่ภายในใจ ให้มันหมดไปได้ผู้ปฏิบัติถ้าลองได้เข้าข้างในแล้วจะรู้ว่างานของตนนั้นอยู่ที่ตรงไหนจะต้องทําอะไรบ้างถ้าใจได้เข้าข้างในแล้วก็จะไม่ไปวุ่นวายไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับงานภายนอกให้เสียเวลาเพราะงานภายนอกนั้นมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแก่ใจมันไม่ได้ละตันหาความอยากมันไม่ได้ทําให้ใจมีความสงบมีความสุข มีการหลุดพ้นมันมีแต่จะผูกพันให้ใจไม่ต้องติดอยู่กับสิ่งต่างๆที่ใจไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็จะไม่สามารถที่จะปลดเปื้องใจให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ตายไปแล้วถ้าทำอะไรไม่สำเร็จบางทีดวงวิญ ญ, ญ, ญ, ญาณยังมาล่องวนเวียนอยู่ใกล้กับสิ่งที่ได้ทำเอาไว้ <c oughs> เช่นมีเรื่องในประวัติ หลวงปู่มั่นที่หลวงตาท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นท่านไปนั่งภาวนาอยู่ที่เจดีย์แห่งหนึ่งแล้วก็เวลาท่านเข้าสมาธิท่านก็ไปเห็นดวงวิญญาณของพี่น้องสองคนที่มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวบริเวณเจดีย์ก็เลยถามว่ามาทําอะไรอยู่แถวนี้เขาก็บอกว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่ เขาร่วมสร้างเจดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างเจดีแต่สร้างยังไม่เสร็จเขาตายไปก่อนเขาก็เลยยังเป็นห่วงดวงจิตดวงวิญญาณของเขาก็ยังมาป้วนเปี้ยนอยู่กับกับเจดีที่เขายังสร้างไม่เสร็จนั้นเพราะความผูกพันถ้าทำอะไรต้องทำแบบไม่ผูกพันเสร็จไม่เสร็จก็ ถ้าตายแล้วก็ถือว่าจบเราทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปเท่านั้นพอเราไปแล้วก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่ก็จะทำต่อไปอย่าไปมีความผูกพันถึงกับขั้นที่ว่าจะต้องทำให้เสร็จให้ได้เป็นตายอย่างไรก็ต้องทำให้เสร็จพอตายเข้าก็เลยต้องกลับมาป้วนเปี้ยนแทนที่จะไปรับอนิสงของการที่ได้ทำทาทานทำบุญในการสร้างเจดีย์ ก็เลยไม่ได้ไปนั่ก็เป็นบุญที่ได้พบกับหลวงปู่มัน่นท่านก็สอนให้เขาละให้ปล่อยวางให้เขาเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเอมันผ่านไปแล้วไม่สามารถกลับไปทำอะไรได้แล้วหมดหน้าที่ของเราแล้วหน้าที่ของเราคือไปรับผลบุญของเราที่เราได้ทำไว้ต่อไปพอเขาละความยึดติดความผูกพันอยู่กับองค์เจดีย์ เขาก็ได้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัณหาความอยากตัณหาความอยากถ้าเราไปทำอะไรกับของภายนอกมันจะผูกพันมันจะทำให้เราติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นตายไปแล้วก็จะกลับมาหามันใหม่ถ้าเราติดกับลาบยศรลเสริญติดกับรูปเสียงกลิ่นรสพอตายไปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เพื่อที่จะได้มาหาลาบยศสรรเสริญมาหารูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะใหม่ก็จะหามันอย่างนี้ไปทุกภพทุกชาติเพราะเราไม่ได้หยุดตันหาความอยากความอยากได้ลาบยศสรรเสริญสุขเรียกว่าภาวะตันหาความอยากให้ลาบยศสรรเสริญสุขไม่เสื่อมไม่จากเราไปเรียกว่าวิภาวะตันหาความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรส ได้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราก็เรียกว่ากามัตั์หาอันนี้ถ้าใจยังมีอยู่แล้วใจยังไม่มีมัจผู้ปฏิบัติก็จะต้องเจริญมัจให้มากต้องพิจารณาอสุภะให้มากต้องพิจารณาไตาลักษ์คืออ น, นิจจังว่าลาบยศละเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวมีเจริญแล้วมันก็ต้องมีเสื่อมไป มันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเรามันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งก็จะต้องมีการพัดพากจากกันถ้าอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดมันก็จะทำให้เราทุกเวลาที่เราต้องจากมันแล้วมันก็จะทำให้เรากลับให้กลับมาหามันใหม่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่เมื่อเกิดใหม่ก็จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ ก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดสำหรับผู้ที่ได้เข้าสู่ข้างใน ใ, นใจแล้วก็จะเห็นปัญหาของตนว่าอยู่ที่กามาตนะภาวตันห า, ะะหาและวิภวะตันหาก็จะไม่ไปสนใจกับเรื่องเงางานการต่างๆภายนอกไม่สนใจกับการหาลาบยศสะรเสริญหาความสุขทางตาหูจะบุกนิ้วกายไม่สนใจกับการที่จะ ดูแลรักษาลาบยศฉรเสริญดูแลรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะจะทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปหมดเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะทําให้ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็จะมาใช้เวลากับการพิจารณาสร้างปัญญาสร้างมรรคให้เห็นตายลักเห็นนันที่จังทุกขังอนัตตาให้เห็นอสุภะให้เห็นสิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมต่างๆ แทนี่จะไปเห็นในสิ่งที่น่าดูน่าชมเช่นถ้าติดเรื่องอาหารเวลานึกถึงอาหารทีไรก็ชอบนึกถึงอาหารในจานถ้าอยากจะตัดความชอบในการในอาหารต่างๆเวลานึกถึงอาหารก็ให้นึกถึงอาหารในท้องในปากในโถส้วมนี่ก็เป็นอาหารอีกรูปแบบหนึ่งถ้านึกถึงอาหารในปากในท้องหรือในส้วมนีน มันก็จะทำให้หายอยากนี่คือมักทาที่จะทำให้ความอยากต่างๆหมดไปเห็นอ น, นิจจังเห็นความตายนี่มันก็จะหมดความอยากไปได้เยอะแยะแล้วอยากจะรวยเป็นมหาเศรษฐีมีหมื่นล้านแสนล้านพอคิดถึงความตายมันก็จะหดเข้ามาทันทีว่าเดี๋ยวไม่กี่วันจะตายแล้วยังอยากเป็นมหาเศรษฐีอยู่อีกเหรอ ถ้ารู้ว่าตัวเองจะต้องตายไม่มีใครอยากจะเป็นมหาเศรษฐีกันแล้วอยากจะหาวิธีทําใจให้สงบเพื่อจะได้ไม่ทุกข์กับความตายกันนี่คือมรรคที่ผู้ปฏิบัติจะรู้เองเมื่อเข้าไปถึงใจแล้วจะรู้ว่าจะต้องสร้างมรรคอะไรพระโสดาบันจึงสามารถที่จะปฏิบัติไปและกำจัดตันหาความอยากไปตามลำดับก็จะก้าวขึ้นสู่ธรรม ระอริยบุคคลที่สูงขึ้นไปตามลำดับได้โดยที่ไม่ต้องมีครูอาจารย์มาคอยสั่งคอยสอนผู้ที่เห็นอริยาศาศาสัจสี4แล้วนี้จะไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีเพราะจะมีคู่คอยมาเตือนว่าบางทียังหลงไปทำภารกิจที่ไม่สำคัญแทนที่จะมาทำภารกิจที่สำคัญก็อาจจะเทเลถไลายไปบ้างอาจจะเลี้ยวผิดทางบ้าง แต่ถึงแม้ว่าไม่มีคนมาเตือนก็จะรู้เองว่ากําลังทะเลทลกําลังไปผิดไปผิดทางพอรู้แล้วก็จะดึงตัวเองกลับมาให้เข้าสู่ทางเข้ามาสู่การเจริญมรรคต่อไปแล้วก็จะได้บรรลุทำขั้นต่างๆตามลํ า, า, าดับไปนี่แหละคือธรรมที่แท้จริงธรรมที่จะเอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมเหล่านี้แล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติ ก็จะได้พบกับธรรมเหล่านี้แล้วก็จะได้พบประโยชน์ที่ได้รับจากการได้พบธรรมเหล่านี้ก็คือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะอยู่ไปกับใจไปตลอดคือความสุขของพระนิพพานนิบบานังปรมังสุขขังนี่เองนี่คือเรื่องของเหตุที่จะทำให้ พระพุทธศาสนาของเรานี่อยู่คู่กับเราไปนานหรือไม่นานอยู่ที่ว่ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมและมีการเผยแผ่ธรรมหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีโบสถ์มีเจดีย์มีพระพุทธรูปมีถาวและวัตถุต่างๆหรือไม่อยู่ที่ว่ามีการศึกษา แล้วนําเอาไปเอาเอาเอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุทําได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วนําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอย่างถูกต้องมั่นยําได้หรือไม่เท่านั้นพวกเราถ้าเราอยากที่จะให้พระพุทธศาสนาของพวกเรานี้จเจริญรุ่งเรืองเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของพวกเราเองและของลูกหลานของพวกเราที่จะตามมาต่อไป พวกเราก็ต้องให้ความสำคัญต่อเหตุปัจจัยสประการนี้คือศึกษาพราะธรรมคำสอนแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาไปปฏิบัติแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เอาธรรมที่เราได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่น ได้อย่างถูกต้องแม่นยำผู้อื่นเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมที่ถูกต้องแม่นยำก็จะสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำผลก็จะเป็นธรรมที่ธรรมแท้ที่จะปรากฏขึ้นมาภายในใจธรรมที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละคือวิธีรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับพวกเราไปได้ยาวนาน ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและนำเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอ oh ุปการปติอ an ิชิตังปฏิต um ังตุมหังคิปเปเมวะสมิจจตุสาเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนะระโสยะามณิโชติ ราโสยะภาสภิติโยวิวาจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตารโยสุขิธีคายยโกภะอภิวัตนสีฤิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธมรวัานติอายุวันสุขัง ลออำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามก็ขอเชิญถ า, ชถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติไม่ขอตอบปัญหาตอบไม่ขอตอบคำถามถ้าใครอยากจะถาม เชิญถามได้ในตอนนี้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางพิธีกร น, นำเอาคำถามที่ทางญาติโยมทางบ้านได้ฝากถามมาครับนักการรอาจารยร์ค่ะพอดีมียมมีปัญหาก็คือตั้งแต่ปฏิบัติมาพอพอจิตเรารวมเป็นหนึ่งแล้วอะค่ะแล้วก็ไปติดสุขพอไปติดสุขแล้ว มันไม่ไปต่อพอดีพระอาจารย์พระอาจารย์ต้นแนะนํามาแล้วก็ท่านก็ให้พิจารณาพิจารณาสังขารเราอะค่ะพอพิจารณาเสร็จแล้วมันเหนื่อยเราตั้งว่าเราจะนั่งสมาธิอยู่ที่สองชั่วโมงเนี่ยเราก็จะได้แค่ชั่วโมงเดียวแต่มันเหนื่อยมันจะเป็นลมไปเลยค่ะ อ, อ๋อเวลาพิจารณาไม่ต้องทําตอนที่นั่งตอนที่ออกมาเดินจงกรมก็พิจารณาได้ การพิจารณาก็เพื่อสอนให้เรามองความจริงว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่เที่ยงเช่นร่างกายของเราเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้เป็นเพียงการศึกษาเป็นการทำการบ้านถ้าอยากจะให้เห็นผลก็ต้องไปพิสูจน์ว่าเราเห็นตามความจริงหรือไม่คือว่าใจของเรายอมรับความจริงของร่างกายได้หรือไม่ เช่นร่างกายเจ็บเราปล่อยให้มันเจ็บได้หรือไม่เจ็บได้ค่ะร่างกายตายปล่อยให้มันตายได้หรือไม่อันนี้เราถึงจะรู้ว่าเราก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าถ้าเราปล่อยได้เราก็จะรู้ว่าเราก้าวหน้าเราไม่กลัวความเจ็บแล้วเราไม่กลัวความตายแล้วอที่จะรู้ไม่รู้ก็ต้องไปหาข้อสอบดูแล้วก็หลังจากวันที่หนึ่งที่ผ่านมาค่ะก็เปลี่ยนจากการแบบพิจารณาเสร็จแล้วมาพิจารณา าธาตุทั้งสี่พอพิจารณาธาตุทั้งสี่แล้วมันเกิดาธาตุลมเยอะสามวันแล้วก็อีกวันก็เกิดาธาตุน้ําก็คือมีน้ำมูกน้ำตาไหลพออีกสมวันก็เห็นสังขารตัวเองแล้วมันอ้วกออกไม้เห็นข้างหน้าเลยะค่ะอันนี้ไม่สําคัญอ่ะเห็นจะอ้วกไม่อ้วกอยู่ที่ว่าปล่อยวางร่างกายได้หรือเปล่าค่ะปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายได้หรือเปล่าถ้ามันเป็นดินน้ําลมไฟมันไม่ใช่ตัวเรา เหมือนกับเราปล่อยน้ำปลาปลาเนี่ยแล้วเปิดก๊อกมาน้ํามันไหลไปเราก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรกับมันร่างกายเราถ้าเลือดมันไหลออกมาเราก็ไม่เดือดร้อนกับมันถ้าพอเลือดไหลออกมาก็ตื่นตกใจกลัวขึ้นมาอย่างนี้สแสดงว่ายังเดือดร้อนอยู่ยังไปคิดว่าเป็นเราอยู่ถ้าคิดว่ามันเป็นน้ําก็ปล่อยมันไหลไปสิ <marks> หยุดมันได้ก็หยุดมันหยุดไม่ได้ก็ปล่อยมันไหลไปเออย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นว่าเป็นน้ําจริงๆ ถ้ายังเห็นว่าเป็นของเราอยู่นี่มันก็ยังยึดติดอยู่มันก็ยังกลัวอยู่ <ฮะ S 1> ยังทุกข์อยู่ถ้าเลือดไหลไม่อยู่นี่ใจก็เต้นนะใจก็วิตกนะแสดงว่ามันยังไม่ได้เห็นว่าเป็นน้ำมันยังเห็นว่าเป็น<อ>เป็นลเลือดของเราอยู่มันต้องมองเห็นเปนน้ำประ ป, าปลาเวลาเราเปิดก๊อกน้ำมันไหลเราเห็นเดือดร้อนกับมันมันจะไหลก็ไหลก๊อกเสียมันก็ปล่อยมันไหลไป อันี่ก็เหมือนการร่างกายมันดีคือดีเกิดมีใครมาทิ่งมาแทงเราเลือดมันไหลออกมาไหลไม่หยุดก็ดูที่เราว่าเราเห็นว่ามันเป็นน้ําหรือเปล่าเห็นว่าเป็นดินหรือเปล่าส่วนแข็งก็เป็นดินพวกหนังพวกเนื้อนี่ก็เป็นดินพวกน้ำนี่มันก็เป็นพวกเลือดพวกอะไรเนี่มันก็เป็นน้ํานมหายใจเข้าออกก็เป็นนมไฟก็คือความร้อนในร่างกายเดี๋ยวไฟมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวร่างกายตายไปมันก็เย็นนะ ไอเห็นว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเห็นจริงๆแล้วมันจะปล่อยวางมันจะไม่ไปวิตกกังวลกับความเป็นความตายของร่างกายถ้ายังไม่ปล่อยวางมันก็จะกลัวมันก็จะวุ่นวายใจขึ้นมานั่นจะก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าก็ขั้นปัญญาก็ต้องเข้าสู่ขั้นทดสอบเข้าสู่ห้องสอบการพิจารณาเฉยๆนี่ยังเป็นเพียงการศึกษาเป็นการทําการบ้าน ทำการบ้านเพื่อเราจะได้เตรียมตัวรับกับข้อสอบเวลาเราไปเจอข้อสอบนั่งกายเป็นโรคภยัยไข้เจ็บขึ้นมาหมอบอกรักษาไม่หายในใจของเราเป็นยังไงใจของเราเฉยหรือใจของเราวุ่นวายถ้าวุ่นวายก็แสดงว่ายังทุกข์ยังมีความอยากความความอยากความทุกข์มันเกิดจากความอยากอยากอะไรอยากให้หายอยากไม่ตาย พ่ามันเกิดความอยากขึ้นมาใจก็ทุกข์เพราะไม่เห็นความจริงว่ามันต้องตายอมันไม่หายรักษาไงสักวันหนึ่งมันก็ต้องตาย <Okay. S 1> ถ้าเห็นความจริงแล้วมันก็เฉยนะตายก็ตายไม่หายก็ไม่หายค่ <Okay. S 1> นะแล้วกรณีที่แบบตั้งแต่ปฏิบัติมาค่ะสว่าเราเป็นโรคนี้พอรักษาโรคนี้หายก็จะมาอีกโรคหนึ่งพอรักษานี้โรคหายก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งเนะะี่ยค่ะ แต่ว่าก็ไม่ได้ไปหาหมอทุกอย่างก็คืออาศัยปฏิบัติธรรมมเอาแล้วก็จะหายไปเองเนี่ยค่ะคือมันมีสามโลกอะในโลกในร่างกายเราเนี่ยโลกที่หนึ่งคือเป็นแล้วหายเองค่ะโลกที่สองเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายค่ะโลกชนิดที่สามเป็นแล้วรักษาหรือไม่รักษามันก็ไม่หายถ้าไปเจอโลกที่สามแล้วก็ต้องทําใจท่านหนึง่งถ้าทําใจก็ไม่ทุกข์แต่ว่าอันนี้คือยมมาเป็น แต่สาอาทิตย์เดือนนี้เดือนนี้เป็นเจอที่ซิดที่หน้าอกเนี่ยพอพอเราปฏิบัติเออมันหายไปแล้วก็จะมาเจอซิดที่ข้างหลังเพราะงั้นก็จะเจออ่าเ็นเนื่อนดากว่ากระามันเป็นขึ้นมาใจเราเป็นยังไงเดือดร้อนหรือเปล่าไม่เดือดร้อนค่ะเวลาเวลามันหายดีใจหรือเปล่าเฉยๆค่ะถ้าเฉยๆทั้งเป็นทั้งหายก็ใช้ได้ถ้าเวลาเป็นก็เดือดร้อนเวลาหายไม่เดือดร้อนนะคะไม่ดึงใจแล้วทั้งนี้ถือว่าเป็น กรรมเก่าของเราไหมคะอ๋อเรื่องน่างกายมันเป็นวิบากกรรเก่าทำให้เรามาเกิดกันแล้วมีมีผลต่างๆกันมีโรคภัยไข้เจ็บต่างกันไปขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ทำไว้ในอดีตบางคนทำกรรมมากก็มีโรคภัยไข้เจ็บมากบางคนทำกรรมน้อยโรคภัยไข้เจ็บก็น้อยแต่มันก็แก่เจ็บตายเหมือนกัน งั้นถ้าตอนถ้าตอนนี้โยมปฏิบัติอยู่รู้ว่าเออพอเราจิตเรามันแค่นั่งแค่ไม่เกินหนาทีมันจะมันจะสงบเลยเราเราต้องให้มันสงบไปนานไหมคะเ้วค่อยมาพิจารณาสังขารนะคะเออเวลาสงบก็ให้มันสงบนานนาเพราะมันจะมีกำลังวางเฉยได้ถ้ามันวางเฉยไม่ได้ก็ต้องเข้าสมาธินานนมันถึงจะวางเฉยได้ถ้าเรายังไปเจอเรื่องที่เราวางเฉยไม่ได้ทั้งทั้งที่เรารู้ว่ามันต้องเป็นมันต้องเกิด แต่เรายังทําใจไม่ได้ก็สแสดงว่าสมาธิเรามีกําลังไม่พอเพราะหลังๆนี้โยมปฏิบัติคือมันเป็นสมาธิพอมันเกิดสมาธิไม่กําหนดพูดโท ย, ยังไม่ถึงเพื่อถึง5นาทีค่ะก็จะดับไปเลยแล้วก็รีบพิจารณาเลยกรทีนี้ไม่ต้พิจารณาแลวลาเราก็เลยเหนื่อยค่ะไม่ให้พิจารณานั่งสมาธิเพื่อให้มันพักไม่ได้ให้ไปทำงานทํางานต้องออกจากสมาธิแล้วค่อยพิจารณาได้ค่ะ เมืนนอนหลับได้ห้านาทีก็ปลุกมันขึ้นมาทํางานตายแต่คนไม่ต้องพักผ่อนหลับนอนกันพักผ่อนให้มันพักเต็มที่ของมันตนกว่ามันจะตื่นขึ้นมาเองตื่นขึ้นมาแล้วค่อยลุกไปทํางา น, จานใจก็เหมือนการเข้าไปในสมาธิแล้วปล่อยให้มันสงบไปจนกว่ามันจะถอนออกมาเองเพราะงั้นตอนนี้ก็ต้องปฏิบัติไปแล้วก็ให้ให้ภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆก่อนให้จิตเรามีกําลังขึ้นก่อนใช่ไหมคะก็ถ้าเราเข้าไป สมาธิได้ภายในห้านาทีมันก็มีกําลังแล้วค่ะแต่ยังไม่ต้องรีบพิจารณาเราต้องทําให้มันจำนานท่านเองต้องการเข้าได้เมื่อไหร่ก็เข้าได้ทุกทีคค่่่ะะใชถ้าเข้าได้แล้วก็ออกมาพิจารณาปัญญาค่อแล้วก็ปัญญานี้มันก็มีสองลักษณะมันเป็นแบบไยบังคับก็มีบางทีไม่อยากจะพิจารณาแต่มันเจอทุกก็ต้องพิจารณาใช่ครับก็คือเวทนาเธอครัวเกิดเวทนาหนูก็จะพิจารณาว่ามันเวทนาไปไหนแล้วก็ ก็ <G ül üyor> จะไม่ยุ่งกับมันแล้วก็กลับมาพุโธแลยทุกข์กับเรื่องอื่นก็ตามก็ต้องใช้ปัญญาทุกข์กับคนนั่นคนนี้ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องใช้ปัญญา <ขะ S 2> ถ้าใช้ปัญญาแล้วมันจะแก้ถูกจุดมันจะไปแก้ที่ความอยากของเราถ้า <ouch. S 2> ไม่ใช้ปัญญามันจะไปแก้คนที่ทำให้เราทุกข์เขาทำให้เราทุกข์ก็ฆ่ามันเลยเออย่างนี้อย่างนี้แก้ไม่ถูกจุดสาธุค่ะ ครับกลับพอการพระอาจารย์ครับจริงๆวันนี้ตั้งใจจะมาปฏิบัติแต่ว่ามาครั้งแรกแล้วก็ที่พักเต็มครับเมื่อก่อนผมปฏิบัติแล้วก็มีจิตจิตวัวมาครับทีนี้เกิดอาการอยากได้ครับก็ไปเพ่งไปบังคับให้เข้าทีนี้ทุกวันนี้ก็เลยเข้าสมาธิไม่ได้พอนึกว่าจะปฏิบัติจะดูลมหายใจจะพุโทโธหรื อ, อะจะตามรู้ก็แล้วแต่ก็คือจะมันจะเข้าไปอารมณ์ที่แบบ ปวดหัวปวดท้ายทอยใ ห, ให้ใจติดขัดแล้วก็จุกหน้าอกเงี้ยครับก็คือกลายเป็นว่าเข้ า, านั่งสมาธิไม่ได้สักครั้งเลยครับในทุกวันนี้ครับผมก็เพราะว่าเราไม่ดูลมให้อย่างต่อเนื่องดูลมอย่างเดียวหรือบริกรรมอย่างเดียวมัวแต่ไปคิดถึงอยากจะให้มันสงบมันก็เลยเกิดอาการตึงเครียดขึ้นมาต้องลืมเรื่องความสงบที่เราเคยได้มาในอดีตคิดหรอว่ า, วา อันเหมือนกับเงินที่หายไปแล้วอย่าไปอยากให้มันกลับมาอยากจะได้เงินใหม่ก็ไปหาใหม่ไปทำงานใหม่งานของเราก็คือต้องจัดริญสติต้องพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวหรือดูลมหายใจไปอย่างเดียวถ้าดูลมไม่ได้หายใจไม่ได้ก็ท่องคาถาอะไรไปก่อนสวดมนต์ไปก่อนอาการตึงหน่าแน่นหน้าอกต่างๆมันก็จะหายไปก็ต้องเลิกเอากรรมฐานที่จะทาให้ใจของเรา ไม่ไม่ตึงเครียดแล้วก็จะสงบได้ก็คราวที่แล้วมันสงบด้วยวิธีใดก็ลองเอาวิธีนั้นดูถ้าเคยสงบด้วยพุทโธก็พุทโธไปถ้าสงบด้วยการดูลมก็ดูลมไปดูลมเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงความสงบที่เคยได้รับแล้วจะอยากให้มันสงบอีกมันก็จะไม่มีวันสงบได้กราบนรมาสการ์ท่านอาจารย์ค่ะ โยมก็ปฏิบัติมาได้สักสองปีเอ่อแต่โชคดีที่ไม่ต้องทำงานก็จะได้ก็ใช้ที่บ้านเป็นการปฏิบัติตลอดเวลาเดินจงกรมสลับนั่งได้ฟังธรรมทีนี้เออโยมก็แบบจะรู้ลมแผ่วๆอยู่เรื่อยๆเวลาคุยกับใครก็จะรู้ลมไปด้วยทีนี้ก็เลยคิดว่า เอ๋พระอาจารย์บอกว่าจิตรับรู้ได้ทีละหนึ่งแต่เรานี้รับรู้ทีละสองตลอดเลยค่ะพระอาจารย์จะรู้ลมด้วยแล้วก็รู้ฟังคนอื่นรู้เรื่องไปด้วยทํางานก็ได้แต่ว่ารู้ลมอีกแผ่วๆนะคะพระอาจารย์กลายเป็นรับรู้ทีละสองไม่ใช่ทีละหนึ่งเจ้าค่ะี่มันใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ใช่หรอกต้องเอาอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะก็ดูดูงานถ้าทํางานก็ให้อยู่กับงานที่เราทํา ถ้าคุยกันก็อยู่กับการคุยกันอย่าไปอยู่ที่ลมลมนี่ไว้เฉพาะเวลาเรานั่งเฉยๆหลับตาแล้วดูลมหายใจถึงจะดูลมอย่างเดียว<ม>เวลาไม่ได้นั่งสมาธิไม่ต้องดูลม<อ>ดูร่างกายดูการกระทําของร่างกายแทนกําลังกวาด บ, บ้านก็อยู่กับการกวาด บ, บ้านกําลังคุยกันก็อยู่กับการคุยกัน<อ>ให้อยู่เรื่องเดียวอารมณ์นี้มีไว้สําหรับเวลาที่เรา ไม่ได้ทําอะไรแล้วนั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกแทนที่จะปล่อยให้มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดึงมันให้ ม, มาดูลมอย่าปล่อยให้มันคิดปรุงแต่งใ่ะกรรมน้องกสการนะครับพระอาจารย์ครับคือพระอาจารย์ครับผมนั่งสมาธิเนี่ยมาก็สองสามปีแล้วแต่เวลาผมนั่งทุกทีไม่เกินประมาณห้าวิไม่เกินนี่แหละฮะลมหายใจเข้าออก แล้วมันจะหูอื้อไปเลยฮะอาจารย์หูอื้อกทั่งลมหายใจเขาออกยังยังยังไม่ร mustache, ับรู้เลยฮะดูแค่ว่าหูอื้อแล้วมีเสียงวีอยู่ตลอดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรฮะอาจารย์ก็ไม่ต้องไปรู้เป็นเพราะอะไรรู้ว่ามันยังไม่สงบก็แล้วกันอก็ดูลมต่อไปถ้าดูลมได้ก็ดูลมต่อไป จนกว่ามันจะวูบลงไปแล้วเน่งทุกอย่างหายไปมันถึงจะสงบอ๋อออคือมันใช้เวลานานมากกว่าจะหายไปอาจารย์ก็นั่นแหะก็เพราะว่ามันยังไม่สงบเลยกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะคือเพิ่งปฏิบัติได้ไม่นานหรอกนะคะแต่คือยังเป็นคนชอบ ติดหนังติดละครนะคะนม่ทราบว่าพระอาจารย์จะมีแนวทางชี้แนะ ว, ว่าจะเอาทําบทไหนมาช่วยพิจารณาอย่างถ้ากรณีที่ว่านี่พระาจารย์กล่าวว่าถ้าเราชอบของสวยงามเราก็พิจารณาอสุภะแล้วถ้าเราอย่างติดหนังติดละครอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้ทําบทไหนดีคะ่ะเออเราก็ต้องเปรียบเทียบระหว่างเพชรกับเพชรกับก้อนหินอย่างไงจะดีกว่ากันถ้าเรา เห็นคุณค่าของเพชรว่ามันดีกว่าก้อนหินเราก็จะเลือกเอาเพชรแต่ถ้าเราไม่รู้เราอาจจะเอาก้อนหินก็ได้เช่นเอาเพชรกับก้อนหินไปให้เด็กดูบางทีก้อนหินสีมันสวยกับเพชรมันก็อยากจะเอาเอาก้อนหินแทนก็ได้ดังนั้นเราต้องใช้ปัญญ า, เ, าเปรียบเทียบดูว่าการนั่งดูหนังสองชั่วโมงกับการนั่งสมาธิสองชั่วโมงผลอัไไหนมันจะดีกว่ากัน ถ้าพูดตามหลักธรรมแล้วนั่งสมาธิใจสงบนี่มันย่อมดีกว่านั่งดูหนังสองชั่วโมงเพราะว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี่มันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพียงแต่ว่าในเบื้องต้นเรายังอาจจะไม่ได้เข้าถึงความสุ ข, ขนั้นก็ขอให้คิดว่าเป็นการสร้างเหตุไปก่อนแต่แม่นั่งยังไม่สงบก็เป็นการสร้างเหตุเพื่อให้มันสงบถ้านั่งบ่อยๆแล้วเราทามีสติอย่างต่อเนื่อง เดี๋ยวมันสงบเข้าไปแล้วจะคุ้มเหนื่อยจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปดูภาพยนตร์2ชั่วโมงกับนรัสการพระอาจารย์นะครับเขาโอสอบถามก็คือในความเข้าใจของผมก็คือจุดสำคัญในการทำสมาธิภาวนาคือการเจริญสติถ้าเราสามารถทำได้ต่อเนื่องทุกอริยบทในขั้นต่อๆไปนี้ก็คือจะเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือเปล่าครับอาจารย์หรือ คือถ้าเรามีสติอย่างตอนนี้เวลานั่งสมาธิเจตมันก็จะรวมได้พอรวมแล้วจิตก็จะมีความสุขมีอุเบกขามีกำลังที่จะสู้กับความอยากต่างๆได้แล้วก็จะเห็นว่าเวลาเกิดความอยากนี้ทำให้ใจเราไม่สบายแล้วเวลาดับความอยากได้จะทำให้ใจเราสบายเราก็จะคอยดูใจของเราแลวคอยกาจัดความอยากที่มันผล่ขึ้นมา เพื่อที่จะรักษาความสงบความสุขที่เราได้จากความสงบนี้ให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆนี่ก็เรื่องของการปฏิบัติเป็นขั้นขั้นต้นต้องมีสติก่อนเพื่อจะได้ดึงใจให้เข้าสู่สมาธิให้รวมเป็นสมาธิแล้วมีความสงบแล้วพอออกจากความสงบมาเวลาเกิดความอยากนี่ใจจะกระเพิ่มใจจะไม่สบายก็จะรู้ว่าต้องกาจัดตัวนี้ แล้วสิ่งที่จะมาใช้กําจัดตัวนี้ก็คือต้องเห็นใจรักเห็นอสุภะถ้าไปกระเพื่อมเพราะเห็นหน้าตาคนนั้นคนนี้ก็ต้องพยายามมองหน้าตาซากศพของเขาถ้ให้หน้าตาของเขาเป็นซากศพมันก็จะหายกระเพื่อ ม, มันก็จะกลับมาสงบเป็นปกตินี่คือปัญญาครับผมสาธุไปไปไดาถามไป ใคอยากจะอยู่ก็อยู่ก็อยากจะไปก็ไปไม่ได้ห้ามว่ออาไปคำถามฝากถามค่ะที่พระอาจารย์ได้เทศโปรดเล่าถึงพระอาหารหันต์ที่ท่านปรงผมลงครั้งที่หนึ่งถึงสี่จนสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในการวางมีดปรองผมแต่ละครั้งนั้นท่านพิจารณาทําใดคะการนั้นก็พิจารณาสักกายทิฏฐิและการไปเห็นร่างกายเป็นตัวเราของเรา ขั้นที่สองท่านก็พิจารณาสุภะขั้นที่สามท่านก็พิจารณาสุภาษะได้เต็มที่ขั้นที่สองนี่ได้เพียงบางบางส่วนบางเวลาส่วนขั้นที่สามนี่พิจารณาได้เห็นตลอดเวลาขั้นที่สี่ก็พิจารณาเห็นมานอะมีอัตตาตัวตนในจิต ใ, ตใจขอให้หลวงพ่อเมตตาอธิบายเกี่ยวกับการพิจารณากายเวทนาจิตธรรม เพื่อเร่งความเพียรค่ะกอที่สอนอยู่นี่ก็สอนให้พิจารณากายอยู่ตลอดเวลาพิจารณากายก็พิจารณาว่าร่างกายนี้มันแก่มันต้องตายไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาเวทนาก็พิจารณาว่าร่างกายนี้มันต้องเจ็บเวลาเจ็บเราก็ห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่ของเราเราไปสั่งมันไม่ได้ร่่งกายเราก็ห้ามมันไม่ให้ตายไม่ได้ร่างกายเราก็ห้ามมันให้มันเจ็บไม่ได้ เราก็ต้องปล่อยวางถ้าปล่อยวางแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายของร่างกายนี่ก็เรียกพิจารณาเวทน า, ทน า, ทนาพิจารณาเวทนาพิจารณากายพิจารณาจิตก็พิจารณาอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตของเราอารมณ์เราบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีแต่ใจของเรามันอยากจะให้ดีความอยากให้ดีมาเลยทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ ปล่อยมันไปมันดีก็ปล่อยมันดีไปมันไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีรู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับรู้ว่ามันมาแล้วก็ไปแต่เราปล่อยวางไม่ไปอยากให้มันอารมณ์ดีไปมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะตอนนี้มีความรู้สึกว่าควรหาทางปลีกวิเวกเพื่อภาวนาได้แล้วเพราะ แต่ก่อนชอบเดินทางไปร่วมงานบุญตามที่ต่างๆก็เลยพยายามอยู่กับตัวเองที่ห้องพักคนเดียวเพื่อภาวนาแต่ก็รู้สึกตัวเองล้มลุกคลุกคลานอยู่มากบางครั้งก็ท้อบางช่วงก็ภาวนาไม่ได้เลยพอได้ออกข้างนอกห้องสักพักแล้วรู้สึกสบายขึ้นแต่จะให้ออกไปเจอเพื่อนก็ไม่รู้สึกอยากเจอคะ่ะเพราะ เรื่องที่เขาคุยกันเช่นทเที่ยวต่างประเทศซื้อของแพงๆเราก็ไม่สนใจแล้วเลยไม่รู้สึกสนุกเหมือนก่อนแต่พออยู่คนเดียวก็รู้สึกเหงาอยากกลับเรียนขอคำแนะนำว่าที่ทำอยู่นี้มันตึงเกินไปไหมคะเราอาจจะยังไม่มีสติพอที่จะปรีกวิเวกแบบนี้ทั้งที่เรามีความตั้งใจดีเราควรจะผ่อนลงมาก่อนไหมคะ ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะทำได้มากน้อยเพียงไรก็อยู่ที่กำลังของสติถ้ามีสติกาลังมากก็จะควบคุมความคิดความอยากได้งได้มากความอึดอัดที่เกิดจากการอยู่คนเดียวมันก็จะมีน้อยถ้าสติไม่มีกำลังควบคุมความคิดความอยากมันก็จะอึดอัดมากมันก็จะทนไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าเราเหมือนกยกของยกน้าหนัก ยกของที่หนักเราก็รู้ว่าเรายกได้ขนาดไหนถ้ายกเกินกำลังเรามันก็ยกไม่ขึ้นอยู่ดีนั้นจะไปว่ามันมากน้อยหรือไมน่นี้มันก็อยู่ที่กำลังของเราเราต้องเป็นคนพิจารณาเองว่าจะปีกวิเวกได้กี่วันหนึ่งวันสองวันสามวันห้าวันเจ็ดวันอันนี้ก็ผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้ที่รู้แก่ใจของตนแล้วก็ แต่สิ่งที่ควรจะทำก็คือต้องฝืนคือมันยากมันลำบากก็ต้องทำมันถึงจะคืบหน้าถ้ายกของเบาๆมันก็อยู่กับที่มันก็ยกได้สบายถ้าอยากจะสบายก็ยกของเบาๆแต่แรงมันก็ไม่มีเพิ่มขึ้นพอจะไปเจอของหนักก็ยกไม่ขึ้นแต่ถ้ายอมฝืนหนักมันยากก็เอาทนเอามันพยายามยกมันขึ้นมา พอยกได้แล้วก็จะมีแรงมากขึ้นไปแล้วต่อไปก็จะยกมันได้ง่ายขึ้นไปการปฏิบัติก็แบบเดียวกันมันก็จะรู้สึกทรมานใจเวลาที่ไปปีกไเอึดอัดใจก็ต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามให้คิดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรจาก คุณขวัญเพียงคไทยค่ะมีข้อธรรมสองข้อที่เคยฟังมาข้อแรกหยุดคิดหยุดปรุงแต่งหยุดแสวงหาพุทธะก็อยู่ตรงนั้นแล้วไม่มีอะไรให้ต้องบรรลุข้อสองพระอานนที่เร่งปฏิบัติจนดึกก็ยังไม่บรรลุคิดจะพักเพียงนอนกายเอลงนอนพรานก็บรรลุขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายด้วยค่ะ สองข้อนี้สอนในระดับเดียวกันหรือเปล่าจริงๆแล้วต้องฝึกจนบรรลุนั้นถึงจะหลุดพ้นได้หรือคะกะนั่นแหละถ้าเราหยุดคิดหยุดอยากได้หยุดแสวงหาได้ใจก็สงบใจสงบก็จะเห็นก็จะเจอตัวรู้ตัวรู้ก็คือพุทโธผู้รู้นี่เพียงแต่ว่ามันจะหยุดแบบชั่วคราวหรือหยุดแบบถาวรถ้าหยุดแบบชั่วคราวคือหยุดด้วยสติมันก็จะ สงบชั่วคราวพอออกจากความสงบมาพอเผลอไปคิดความทุกข์อยากมันก็จะตามมามันก็ยังยังไม่ไม่ถึงจุดสูงสุดถ้าอยากจะถึงจุดสูงสุดก็ต้องหยุดความอยากอย่างพระน์นี่อยากจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าบอกต้องบรรลุคืนนี้แต่พอใกล้สว่างแล้วก็ยังไม่รู้อ่อนต้นกระเพียนเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาปัญญา ยังไงยังไงมันก็ยังไม่บรรลุเพราะเป็นไปใจมันไม่ได้พิจารณาธรรมที่กําลังอยู่ในใจกลับไปพิจารณาสัญญาแทนไปพิจารณาคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าแทนว่าเธอต้องบรรลุอันนี้ mm hmm. ก็เลยทําให้รู้สึกว่ามีความกดดันว่าจะต้องบรรลุอันนี้ให้ได้พอถึงใกล้เวลาที่จะสว่างแล้วก็รู้ว่ายังไงยังไงคราวนี้พระพุทธเจ้าทํานายผิดแน่แน่ เรามันไม่มีวันจะบรรลุได้นะก็เลยตรงหยุดความอยากที่จะบรรลุก็เลยจะไปนอนเพราะจะไปอยู่ในท่าระหว่างนั่งกับนอนมันก็เลยบรรลุเพราะไอ้ความอยากที่ขวางให้มันบรรลุมันหายไปอันนี้เป็นธรรมของประ น, นุนก็เหมือนกันก็หยุดความคิดปรุงแต่งหยุดความอยากที่จะบรรลุแต่เราต้องไปถึงขั้นนั้นก่อนถ้าเราจะไม่ถึงขั้นนั้นเราต้องอยากบรรลุก่อน เพื่อเราจะได้ไปภาวนาไปไปปีกเวกเวกถ้าเรายังไม่ได้ปีกเวกไม่ได้ภาวนาแล้วเราบอกว่าเราไม่อยากบรรลุมันก็ไม่มีวันบรรลุได้มันครละขั้นกันพอถึงขั้นที่ได้ภาวนาแล้วถึงขั้นสุดท้ายแล้วนั่นขั้นนั้นน่ะถึงต้องปล่อยความอยากที่จะบรรลุมันถึงจะบรรลุได้ <k well> แต่ขั้น <ifica> ต้นนี่ต้องมีความอยาก <K well> บรรลุมันถึงจะได้ไปภาวนากัน เดี๋ยวฟังเราจะเข้าใจงั้นฉันไม่อยากบรรลุนะฉันไปเที่ยวดีกว่าไปกินขนมดีกว่าเดี๋ยวฉันก็บรรลุแต่อย่างงี้ไม่มีวันบรรลุได้หมดแล้วยังเลยกี่ข้องเลกประมาณสมท่านนะคะหก<อ>ข้อเอาไว้เอาเลยเอาเลยให้หมดเลยอีกข้านาทีสิบนาทีก็าจากคุณพีรพง์สินมุก ค, ค่ะข้อแรกการเจริญสติมีจุดประสงค์เดียวก็คือเพื่อให้จิตตั้งมั่นเข้าสู่ความสงบเป็นสมถะ เราต้องใช้สมถะเราต้องได้สมถะเสียก่อนจึงเจริญวิปัสนาได้การเจริญสติไม่ได้มีจุดประสงค์แยกว่าเจริญสติแบบนี้เพื่อสมถะเจริญสติแบบนี้เพื่อวิปัสนาใช่ไหมครับคือเครื่องที่เราใช้เจริญสตินี่มันมีที่เป็นทั้งเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งสมถะเช่นถ้าเราใช้พุโทโธนี้มันจะเป็นเพียง สติเป็นสมะถะอย่างเดียวแต่ถ้าเราพิจารณาความตายเป็นอารมณ์นี้มันเป็นทั้งสมะถะเป็นทั้งวิปัสนาเพราะว่าความตายนี้เวลาอยู่ความตายใจก็ไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็สงบเป็นสมาธิแล้วมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วต้องดับ อ, อันนั้นก็เป็นปัญญาฉะนั้นกรรมฐานบางชนิดนี้จะเป็นเพียงสมะถะเพียงอย่างเดียวได้ผลคือสมะถะอย่างเดียว กรรมฐานบางชนิดก็จะได้ผลทั้งสมถะและวิปัสนาข้อสองค่ะการที่ผมแชร์หรือเผยแพร่พระธรรมคำสอนโดยที่ผมไม่ได้มีความรู้แจ้งในธรรมข้อนั้นเลยไม่รู้เลยว่าคำสอนนั้นเป็นคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวจริงหรือไม่คิดแต่เพียงว่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติของตนเองและผู้อื่นถ้าเกิดว่าคาสอนนั้น ไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนจริงอย่างนี้ถือว่าผมทํากรรมโดยการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าหรือเปล่าครับคือการที่เราจะไปแชร์อะไรเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นเป็นขนมหรือเป็นอุจจาระใช่ไหมเราต้องลองชิมดูก่อนถ้ามันเป็นอุจจาระเราจะได้ไม่แชร์มันไม่ใช่พอเห็นอะไรปุ๊บก็กดแชร์เลย เราต้องอ่านก่อนอ่านแล้วมันดูว่ามันมีความรู้สึกไงกับใจเราอ่านแล้วใจเราสงบใจเราเกิดปัญญาเอออย่างนี้ดีดับความทุกข์ได้เนี่ยมันต้องพิสูจน์ก่อนแล้วค่อยไปแชร์ไม่ใช่พออ่านแล้วปุ๊บก็แชร์เลยอย่างนี้บางทีเขาส่งอุจจาระมาเราก็แชร์กันต่อไปก็เลก็เป็นเรื่องที่เสียหายตามมาต่อไปองั้นก่อนที่เราจะแชร์อะไรเราต้องพิสูจน์ก่อนว่า ของที่เราจะแชร์นั้นมันดีหรือไม่ดีเป็นคุณหรือเป็นโทษจากวัดป่าสายธรรมยุทธ์ทมูลอยากถามหลวงพ่อว่าทําไมกระผมชอบคิดไม่ดีต่อครูบาอาจารย์แต่ผมไม่อยากคิดเหมือนมันคิดไปเองแล้วผมก็พยายามระงับความคิดแต่ก็ยังคิดไม่ดีผมไม่อยากคิดจนกลัวว่าจะเป็นบาปอยากให้หลวงพ่อแนะนําวิธีการทําจิตใจให้ดีครับคือมันเป็นเรื่อง กิราตาตัวตนเราเป็นคนชอบคิดว่าเราเก่งกว่าคนอื่นพอเราไปเจอคนที่เก่งกว่าเราเราก็เลยเกลียดเขาโกรธเขาไม่พอใจเขาเนีเราต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลว่าท่านกับเราใครเก่งกว่ากันท่านมีกิเลสท่านไม่มีกิเลสเรายังมีกิเลสอยู่อย่างนี้ใครจะดีกว่ากัน ถ้าเราไม่ใช่เหตุไม่ผลเราก็จะถูกอัตราตัวตนหลอกว่าเราเก่งกับคนอื่นอยู่เรื่อยๆแต่พอคนอื่นเขามีคนยกย่องนับถือมากกว่าเราเราก็จะไปอิจฉาเขาเราก็จะไปเกลียดเขาได้เเราต้องมองความจริงว่าทำไมครูบาอาจารย์ท่านถึงเป็นครูบาอาจารย์ทำไมเรายังไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์เพื่อที่เราจะได้ลดอัตราตัวตนของเราลงจากคุณแมนค่ะข้อแรก การเพ่งจิตที่เป็นสีขาวฟ้ารัศมีนั้นเป็นการทำสมาธิหรือไม่การเพ่งอะไรอารมณ์ใดเรียกว่าเป็นการเจริญสติเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิจะเพ่งดูลมหายใจจะเพ่งดูสีขาวสีเขียวสีดำอะไรก็ได้แต่การเพ่งนี้ยังไม่เป็นสมาธิเป็นการเจริญสติจะเป็นสมาธิเมื่อจิตรวมแล้วสีต่างๆที่เราเพ่งก็หายไปเหลือแต่ความว่าง เกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดอุเบกขาขึ้นมาถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิข้อสองค่ะเป็นจิตของตนเองหรือจิตของผู้อื่นคะ อ, อ๋อจิตของเราของผู้อื่นเราจะไปเพ่งได้ยังไงข้อสามค่ะสามารถระงับนิวรณ์หยาบๆเช่นความโกรธได้หรือไม่คะก็ลองดูสิถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ข้อสี่ค่ะเป็นการมองดูตัวตนหรือมองดูผู้อื่นคะ ไม่ได้ดูอะไรเลยก็ดูแต่สีอย่างเดียวหมดแล้วใช่ไมอมมีใครอยากจะถามไหม อ, อีกคนยังยกมืออยู่ข้างหลังนมสก า, ารพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากจะถามว่าที่พระอาจารย์ให้เพ่งอสุภะนะคะบางทีเราเพ่งแล้วมันก็ยังตัดไม่ขาดระหว่างนี้เราจะต้องทำยังไงก็เพ่งต่อไปดูบ่อยๆที่คำบ่อยๆเหมือนกับมีดยังไม่คมก็รับมันไปเรื่อยๆ การพิจารณาสุภาพนี่พิจารณาเพื่อไม่ให้ลืมให้มันจําได้พอเห็นภาพสวยสวยงามก็ให้นึกถึงภาพไม่สวยให้ไม่งามขึ้นมาลบมันแต่ถ้าไม่มีภาพขึ้นมามันก็ยังตัดไม่ได้ให้ทํำบ่อยๆใช่อหมันยังลืมอยู่พอเห็นของสวยงามแป๊บลืมไปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะแป๊บเดียวเลยอ่าพอแสดงว่ายังพิจารณาน้อยไปะอยังไม่มีกําลังพอสาธุเจ้าค่ะ